มาตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจฝึกใจของตนให้เข้มแข็งอย่าให้อ่อนแอการที่เราทำข้อวัดปฏิบัติตื่นดึกลุกเช้าขยันมันเพียน อันนี้ได้ชื่อว่าฝึกฝึ ก, กจิตใจเข้มแข็งต่อการบาเพ็ญบุญกุศลเพื่อต้านทานต่ออำนาจของกิเลสที่มันจะจูงไปในทางต่ำบุคคลใดไม่ทำใจเข้มแข็ง ไม่สั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นในจิตใจแล้วผู้นั้นจะต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาแน่นอนทีเดียวกิเลสตัณหามันกลัวตั้งแต่บุญกุศลคุณธรรมอันดีงามเท่านั้นเอง นอกนั้นนอกนั้นแล้วมันไม่กลัวผู้ใดจะมีอำนาจบาดใจญ่สักเท่าไรมีเงินทองกายกองเท่าใดกิเลสบปาปธรรมทั้งหลายมันไม่กลัวจิ่งเหล่านั้นยิ่งเป็นสื่อให้กิเลสมันหนาแน่นขึ้นไปให้าบปาปธรรมมันจเจริญขึ้น บุคคลไม่รู้จักใยไม่รู้จักใจไม่รู้จักพอเหมาะพอดีแต่ความเป็นโยของตนมันยิ่งทำให้กิเลสปาพธรรมอ้วนผีขึ้นไปเรื่อยๆ mm hmm. ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมผู้มีศรัทธาแรงกล้าจึงต้องพยายาม บำเพ็ญกุศลคุณธรรมให้สูงขึ้นไปโดยลำดับเพื่อจะไม่ให้กิเลสมันตามลุกรานเพื่อไม่ให้กิเลสมันชัดจุงให้จิตใจนี่ตกต่ำลงไปบัด น, นี้การที่ผู้ที่ได้มาบวชเป็นนักบวช ในประพุทธศาสนานี่จะนุ่งเหลืองหรือนุ่งขาวห่มขาวก็ชื่อว่าเป็นนักบวชบุญกุศลท่งเสียให้มีชีวิตเจริญขึ้นมาถึงปานนี้เรียกว่าพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาอย่างหยาบ นั่นมาได้แล้วได้แก่การครองเรือนการครองเรือนนี่ชื่อว่าเป็นผู้หมุกมุนอยู่ในกิเลสอันหยาบหนาะต่างๆเช่นนั้นเหตุดังนั้นมันจึงมีการขวนขวายมากมายเมื่อมีการขวนขวายมาก มันก็มีทุกข์มากเช่นนั้นไม่ใช่ว่ามนุษย์โลกของเรานี่จะนิรมิตอะไรเอาได้ตามประสงค์เหมือนอย่างเทวโลกหามีได้อันเทวโลกนั่นก็นิรมิตเอาได้ตามกำลังแห่งบุญวาสนาที่ ตนกระทำไปแต่เป็นมนุษย์มีเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะอธิษฐานหรือนินมิตรเอาสิ่งต่งตางๆให้ได้มากเกินกว่าบุญกรรมที่ตนทำไปแต่ในโลกนี้หาไม่ได้ทำไม่ได้อยู่ในชีวิตจึงชื่อว่าอยู่ในขอบเขตแห่งบุญกรรมบาปกรรม ผู้มีบาปกรรมติดตัวก็เหมือนกันถ้าบาปกรรมมันไม่มากอยากไปตกนรกมันก็ไม่ไปไปไม่ได้เพราะบาปไม่มีกําลังมากบาปกรรมที่นําให้ไปเกิดเป็นเปรตมันก็ได้แก่แค่เกิดเป็นเปรตเท่านั้นแหละ หรือเกิดเป็นอสุรกายหรือเกิดเป็นสัตว์ดิบดิฉานตามบาปกรรมที่ทำหนอยหรือมากกว่ากันถ้าบาปกรรมมากจริงไม่อยากไปตกน ร, รกมันก็จำใจท่องไปเพราะมันไปตามเหตุปัจจัยจะไปโดยลำพังตัวเองตามชอบใจตัวเองไม่ได้ หรือว่าจะไปหาที่เกิดให้ตามชอบใจของตนไม่ได้มันมีบุญและบาปพาไปชีวิตของบุคคลผู้ยังคล่องอยู่ในโลกนี้ให้พาพิจารณาดูให้มันเห็นชัดๆด้วยปัญญาของตนเองคนไปเที่ยวหาเกิดได้ตามประสงค์ใจ คนทุกคนจ น, น, นก็ไม่มีคนโหดร้ายทารุณก็ไม่มีคนทุกคนระพับาพทางร่างกายจิตใจอย่างนี้ก็ไม่มีที่มันมีความเป็นอยู่แตกต่าง ก, กันอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่ากรรมคือการกระทำของแต่ละบุคคล น, นั้นเอง ผู้ใดทำกรรมมันไดกรร ม, มนั้นมันกระตกแต่งให้เป็นไปตามนั้นอย่าไปสงสัยอะไรเรื่องชีวิตนี่นะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วที่ในนนำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเมื่อฟังแล้วต้องเอาไปคิดไปกรองอีกทีหนึ่งให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองขึ้นมา มันยังค่อยเชื่อคนเรานะ่ะถ้ามันไม่เห็นแจ้งด้วยตัวเองขึ้นมาได้ฟังแต่คำสอนของพระเจ้าเท่านั้นมันก็เชื่อยังไม่ลงเต็มที่เลยเชื่อไปแต่เพียงบาบาๆวางๆไปพวกนั้นเนี่ยมันเหมือนอย่างคนตาดีไปเล่าเรื่องราวต่างๆให้คนตาบอดฟังอย่างนี้เนะี่ยคนตาบอดท่านไม่เห็นโดยตนเอง ก็มไม่ค่อยจะเชื่อเต็มที่เท่าไหร่นักเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าคนตาดีภคเล่าเรื่องราวต่างๆให้คนตาดีฟังเหมือนกันอย่างนี้เลยมันก็มักจะเชื่อกันเพราะมันมองเห็นได้ดังนั้นเนี่ยพุทธบริษัททั้งหลายไม่ควรที่จะให้ใจมันบอด ให้ใจมันสว่างอยู่ด้วยคุณธรรมให้มันสว่างอยู่ด้วยปัญญาความรู้ความฉลาดเรามีจิตดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแก่นของชีวิตให้พิจนารณาดูให้มันเห็นเจิตดวงนี้นี่มันเล่ร่อนไป ในวาตาศสงสารด้วยอำนาจของกิเลสกรรมวิบากมันนำไปส่วนร่างกายนั้นเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วมันก็แตกตับทำลายลงอยู่พื้นแผ่นที่นี้เองไม่ไปไหนอันที่พระพุทธเจ้าของเราทรงแสดงว่า ผู้ใดทำกรรมอันไดไว้ตายแล้วยอมไปสวยผลแห่งกรรมอันนั้นก็หมายเอาดวงจิตดวงเดียวนี้เองคือความรู้สึกนึกคิดนี้แหละต้องให้เข้าใจผู้มีปัญญาทั้งหลายทำกุศลคุณงามความดีอะไร ก็เพื่อให้บุญกุศลความดีเหล่านี้แหละเป็นน้ำหรือเป็นธรรมโอสดสำหรับชำระร้างความสกปรโสมมของร่างกายนี้ให้เบาบางไปให้สะอาดหมดจดไปโดยลำดับไม่ใช่ทำ บุญกุศลความดีเพื่อจังอื่นหาม่ได้เลยข้อนี้ข้อควรพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยตนเองเมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นแจ้งด้วยตนเองแล้วก็จะไม่ลืมจิตลืมใจตรงนี้เหมือนาำ ว, ว่าตนไม่ลืมตนก็แล้วกันเแี่ยจิตไม่ลืมจิตก็แล้วกัน ไปที่ไหนจะกำหนดรู้ตัวเองอยู่เสม อ, อจิตตั้งอยู่ยังไงจิตวอกแวกกวนไว้หรือว่าจิตหนักแน่นจิตไม่ฉลาดหรือว่าจิตมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องบาปบุญคุณโทษต่างๆอยู่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของดวงจิตแต่และดวงจิตจะต้อง พิจารณาตัวเองฝึกตัวเองให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาอย่างนี้เพราะจิตนี่มันต้องเกี่ยวแก่การฝึกแน่นอนถ้าไม่ฝึกแล้วจะปล่อยให้มันดีไปเองนะไม่มีทางกิเลสต่างๆก็เหมือนกันนะถ้าว่า ตนไม่เห็นโทษของมันไม่ละมันมันก็ไม่ดับไปจากจิตใจนี้พอเมื่อใดจิตมาเห็นโทษของกิเลสแล้วเมื่อนายต่อ ก, กิเลสอย่างนั้นเ อ, อเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ยอมไม่สะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นกิเลสอันใดมีอยู่แต่ก่อนมาแล้วก็พยายาม ละมันให้หมดไปให้เบาบางไปเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นนะพระพุทธเจ้ายัางได้สอนให้อบรมสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในใจนี้เพราะว่านอกจากปัญญาแล้วไม่มีอะไรที่จะมารู้จัก ลักษณะอาการของกิเลสป่าพระธรรมคือจะมารู้จกักรษณะอาการของบุญของกุศลตลอดถึงมรรคผลธรรมวิเศษโมนีอาศัยปัญญาทั้งนั้นที่จะรู้แจ้งว่ามรรคผลได้เกิดขึ้นแล้วแก่ตนแก่จิตใจอย่างนี้นะ มันก็รู้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองแหละถ้ายังไม่รู้แจ้งด้วยตนเองก็แสดงว่ามรรคผลยังไม่เกิดม้บุญกุศลที่เป็นส่วนโลกีก็เหมือนกันปัญญามองไม่เห็นในจิตใจนี่ว่าบุญกุศลบางเกิดขึ้นในจิตใจยังมองไม่เห็นเลยอย่างนี้ บุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีก็ยังไม่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้นถึงแม้ว่าจะรู้อยู่บ้างว่าบุญกุศลเกิดขึ้นในใจแต่รู้ด้วยวิญญาณสัญญาเฉยๆนี่มันก็ยังไม่แน่นอนเลยไม่มั่นคงอ่ะเพราะว่า วิญญาณหรือสัญญาเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วดับไปได้เพราะฉะนั้นความจำหมายความรู้ศึกเรื่องบุญและบาปนั้นมันจึงไม่แน่นอนอะไรส่วนปัญญานี่บุคคลอบรมไม่เคยขึ้นจากสมาธิแล้วอย่างนี้นะเมื่อสมาธิไม่เสื่อมตราบใด ปัญญาก็ไม่เสื่อมตราบนั้นความรู้ความเห็นก็ ย, ย่อมแจ่มแจ้งอยู่ในใจตัดความสงสัยลังเลในเรื่องบาปคุณคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องพระนิพพานออกจากกิตใจได้ถึงแม้ว่าผู้นั้นน่ะยังแก่ไม่ได้บรรลุมรคลธรรมวิเศษ อันเป็นโล ก, กุตระทำก่อนก็ตามแต่เมื่ออบรมถีนสมาธิปัญญาอันเป็นส่วนโลกีเนี่ยให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปความรู้แจ้งในเรื่องบาปบุญกุลบุโทษมันก็มีขึ้นเรื่อยเื่อแต่มันยังละให้ขาดเด็ดไปไม่ได้เท่านั้นเอง แต่หากว่าละให้มันน้อยเบาบางอกไปจิตใจได้อยู่เช่นกิเลสจางงาบอันมันพาให้คนเราทำบาปทำกรรมใ่ตัวเองอยู่ในโลกนี้เมื่ออบรมปัญญาอันเป็นส่วนโลกีบังเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้มันก็ละได้เลยละบาปละได้ ถ้าละไม่ได้แล้วพระองค์เจ้าไม่สอนคนละบาปได้ไม่ใช่แต่มีแต่พระอริยบุคคลเท่านั้นหามีได้แม้กัลยาณชนผู้ที่มีบุญวัสนาแก่กล้าผู้มีปัญญาอันเป็นส่วนโลกีแรงกล้าขึ้นไปก็สามารถละบาปอากุศล ต, ต่างได้ ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะบรรลุถึงโลภุตระทรรมไม่ได้เลยเมื่อโลกิยธรรเนี่ทําหน้าที่ละกิเลสบาปรธรรมอัญญยาบเหล่านี้ให้เบาบางออกไปเรื่อยๆไปอย่างนี้สมาธิมันก็หนักแน่นเข้าไปปัญญามันก็แหลมคมเข้าไปเรื่อยๆ เป็นอย่างั้นเมื่อปัญญามันแหลมคมเข้าไปสว่างสวัเข้าไปเท่าใดมันก็ยิ่งมองเห็นกิเลสอย่างกลางหรืออย่างละเอียดเข้าไปเท่านั้นแหละมันก็ค่อยละกิเลสอย่างกลางหรืออย่างละเอียดเข้าไปเรื่อยๆการละกิเลสมันย่อมมีขั้นตอนอย่างนี้ เพราะนั้นทุกคนในพิจนาดูใจของตัวเองว่าความโลภความโกรธความหลงยังหยาบคายที่มันจะจูงใจไปทำความทั่วททำบาปกรรมต่างๆนนะมันยังมีอยู่หรือในใจนี่เนะี่ยทนยังละมันไม่ได้เหลือบางคราว มันยังคิดฆ่าคนโน้นทำลายชีวิตคนนี้ได้อยู่เลย อ, อันนี้เป็นหน้าที่ของเราชี้พิจารณาจิตใจตัวเองบางคนมันคิดโกรธขึ้นมา ใ, ใครในใจแล้วมันก็คิดเลยไปถึงฆ่าถึงแกงไปโน้นก็มีนะเป็นนักบวดก็ตามเป็นคาลือหัดก็ตามมันคิดไปถึงโน้นได้อยู่ อย่างนี้นะก็ให้พากันพิสูจน์ดูใจตัวเองให้มันเห็นว่าใจนี่มันยังความคิดยังหยาบคลายอยู่ปานนั้นหรือหรือว่ามันลดน้อยเบาบางออกไปแล้วก็ให้ก็ให้รู้เช่นอย่างว่ามันคิดเกลียดชังใครมาก็เพียงแต่เกลียดชังเฉย ไม่คิดจะฆ่าจะแข่งคู่ที่ตนเกลียดชังนั้นอนนี้ก็ให้รู้เราจะได้รู้ว่าไอ้กิเลสมันเบาบางออกไปจากจิตใจได้บังแล้วกิเลสคือความโกรธนี่นะนี่นะมันก็รู้ทัวได้แต่ว่าเมื่อรู้ว่า มันเบาบางไปแล้วเราก็ไม่เนียงนอนใจถ้าประมาทแล้วหน่อยกิเลสมันก็พอกคูนหนาขึ้นอีกแล้วเพราะว่ารากเขามันยังอยู่เมื่อมีใหม่มาเพิ่มเข้าไปอีกก็ง อ, อกขึ้นไปอีกเหมือนต้นไม้ถึงเมื่ตัดกิ่งก้านมันออกไปแล้ว